ตั้งใจฟังอุบายธรรมะนั่นเป็นเครื่องประดับสติปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปองค์สมเด็จพระพูมีพระภาคเจ้าได้ทรงแนะนาพุทธบริษัททั้งหลายให้ทำตนเป็นเหมือนม้าอาช า, ายัยช้างอาช า, ายัยแล้วก็คนอาช า, ายัย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 ไม่ให้มันบกพร่องหน้าที่ของตอนมีอย่างไรก็คอยระมัดระวังเอาใจจดจ่ออยู่เสมอเพื่อทําหน้าที่อันนั้นให้สมบูรณ์ให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ใดบําเพ็ญตนเป็นอย่างนี้ได้ผู้นั้นนะ่ะท่านเรียกว่าคนอาชนายเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่เป็นคนว่ายากสอนยาก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 ให้เต็มความสามารถไม่ล่วงเกินส่วนที่ทรงห้ามแล้วก็ขยันมันเพียนทาสิ่งที่ทรงอนุญาตอันนี้นะพ่าเป็นเรื่องของคนอาชนัยมาอาชนัยเพราะฉะนั้นทุกคนเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งทีละลึกเช่นนั้นแล้วก็ควรทำตนให้เป็นคนอาชนัย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 ก็ไม่รู้อันนั้นท่านเรียกว่าไม่ใช่คนอาชาไยมาอาชาไยช้างอาชานายัยผู้เป็นอาชาันานี่มันต้องรู้หนทาง่างความเสื่อมแห่งชีวิตของตนรู้หนทางแห่งความเจริญแห่งชีวิตของตนแล้วดำเนินไปตามทางแห่งความเจริญแห่งชีวิตนั้นก็สมควรจะเป็นอย่างนั้นแหละ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 ไม่ว่าคฤหัสน์ไม่ว่านักบวชก็จำเป็นทั้งนั้นแหละจะไปอ้างว่าแต่ไม่มีเวลาอย่างนี้นั่นมันเป็นความไม่เอาไหนของกิจใจต่างหากแต่ความจริงนะเวลามีอยู่ถมไปอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะไปทำงานการอาชีพตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงไม่มีไม่มีใครทํากันเลยก็มีเวลาพักผ่อนอยู่ถมไป เป็นนักบวชยิ่งมีโอกาสมากในการประกอบศาสนกิจต่างๆนี่ถ้าหากว่าไม่ประมาทแล้วนะถ้าประมาทแล้วเป็นอะไรก็ไม่ได้ความเลยอยู่ไปตามยาถากรรมเฉยๆขาดสติสัมปชัญญะความระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังมา จากครูบาอาจารย์เลยอย่างนี้ก็ทอดทุรลเสียไม่ะระลึกถึงไม่น้อมคำสอนนั้นเข้ามาสู่จิตใจของตนมาสอนใจของตนให้ทาหน้าที่ที่ตนจะพึงกระทาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปบุคคลขาดสติสมบัติเชันญะดังกล่าวมานี่แหละท่านเรียกว่าเป็นคนประมาท จะเป็นคนอาชนายไปไม่ได้เลยแม้จะเกิดพบใดชาติใดไปก็จะมีชีวิตตกต่ำเป็นคนไม่มีสติปัญญาเป็นคนไม่มียศถาบรรดาศักด์ไม่มีเกียรติยศอะไรเลยดูแต่คนในโลกนี้ก็แล้วกันน่ยคนบางคนบางพวก ทำตนเป็นคนไม่รู้ไม่ชี้อะไรกับสังคมกับความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองบั่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาไม่สนใจสนใจแต่ไปทำมาหาเรื่องชีพส่วนตัวเท่านั้นแหละสนใจอยู่แต่กับเรื่องที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรนัก คนเหล่านี้มักจะสนใจไปในอบายมุก ค, คือเหตุเครื่องชิพหายสี่อย่างสนใจในการบาเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้มากไปได้วยความรักความใคร่สนใจบาเพ็ญตนเป็นนักเลงสุราชอบดื่มสุรายาเมากัญชาฟินเฮโรอีน มูนีตลอดถึงบุรีวันละสองสองสามซองแล้วก็ชอบบำเพ็ญตนเป็นนักเรงเล่นการพนันเพราะว่าเล่นการมนานนี่ไม่ได้ออกกำลังมากนักไม่ได้กำผลทนแดดเล่นกันอยู่ในร่มเผื่อว่ารวยก็สบายไปแต่ถ้าไม่รวยก็หน้าแห้ง แล้วคนบางยามพวกก็ไปชอบคบคนชั่วเป็นมิตรไม่ชอบเลยแหละคนดีไม่เข้าใกล้เลยนักปราบบัณฑิตผู้มีความรู้ความฉลาดมีความประพฤตีงามเห็นเข้าแล้วกลัวซ้ำไม่เข้าใกล้เลยเหยียดตัวเองเหยียดยามตัวเองลงไปว่าเป็นผู้มีศักดิ์อันตำ่ำมีเกียรติอันตำ่ำ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 ไม่รู้เรื่องว่าตนไม่รู้อะไรผู้จะรู้ตัวไว้ตนไม่รู้อะไรกระเพาะคิดดำริตริตรองไปถึงคำสอนของผู้เเจ้าหรือว่ามิฉชนั้นก็น้อมคำสอนของผู้เตเจ้าเข้ามาในร่างกายอันนี้มาพิจารณาเมื่อพินาไปบางอย่างมันก็ไม่เข้าใจก็จำเอาไว้เรื่องใดที่ตนไม่เข้าใจ จำไว้ให้ดีเมื่อได้พบนักปรารถกก็เรียนถามนักปรารถนั้น น, นให้ท่านได้อธิบายให้ฟังในเรื่องที่ตนไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ไม่ว่าเครือขัดไม่ว่านักบวชก็ต้องประกอบเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่ไปตามยถากรรมอย่างนั้นแล้วมันจะดีไปเองไม่แล้ว ถ้าเช่นนั้นแล้วพระศาสดาจะทรงตรัสไว้หรือว่าคนเราทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วบุคคลจะได้ดีได้ชั่วมันขึ้นอยู่กับการกระทําทั้งนั้นเลยนี่ในพุทธศาสานานี่นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ก, บการอ้อนวอนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากคนละโลกให้มาช่วยตนให้พ้นจากความเสื่อมให้ถึงซึ่งความเจริญอะไรต่ออะไรมรนี พระศ า, าสดาทรงตัดสรู้แจ้งแล้วว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะไม่มีสิ่งสักดิ์ิอะไรที่จะมาบันดาลให้อะไรให้ใครต่อใครได้มีความสุขความเจริญโดยที่ทนไม่ต้องทำงานกำลำพ้นทนแดดอะไรเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้โอ่องเจ้ารู้แจ้งเลยอย่างนี้เลย การที่บุคคลมาภาคเพียรพยายามละความชั่วทำความดีอะไรบูกนี้นะมันก็รวนแต่การกระทำทั้งนั้นเลยเช่นอย่างว่าเมื่อใจมันคิดอยากโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยทางทุจริตอย่างนี้ก็ห้ามมาให้คิดหาอุบายมาสอนจิตไม่ให้มันอยากได้สมบัติผู้อื่นในทางทุจริตอย่างนั้น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 ว่ายินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นจะเป็นของหยาบหรือของละเอียดอะไรก็แล้วแต่แหละว่าจะได้มาโดยทางสุจริตแล้วก็ทำความพอใจยินดีบริโภคใช้สอยไปไม่ต้องเดือดร้อนอันนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทาตามาศาสนธรรมคำสอนนั้นเท่าที่บรรยายมานี่ มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการละกิเลสก็เกี่ยวเกี่กับการกระทําทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีการกระทําไม่มีอุบายแยบคายอย่างนี้กิเลสมันจะไม่เบาบางไปจา ก, กจิตใจเลยแม้ความโกรธก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันเหมือนกันทั้งนั้นบรรดากิเลสทั้งหลายมันจะหมดไปเบาบางไปได้ก็ล้วนแต่การกระทําทั้งนั้น เ่านบุคคลเมื่อไม่เจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะแล้วความโกรธมันจะเบาวางได้อย่างไรอะ่ะเพราะความโกรธนี่บุคคลผู้โกรธใครตรอกต่อใครขึ้นมาแล้วนะอันซึ่งแม่จะคิดให้อภัยหรือจะคิดสงเคราะห์เกื้อกูลคนนั้นในขนาดนั้นนะไม่มีทางเลยก็เพราะมันขาดเมตตากรุณานี้เองนะ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 ทำอบายแอบคายอยู่ในใจนูน่นแต่ว่าคนส่วนมากนะมันไม่ทํากันนะเนื่อว่าตนใจดีอยู่แล้วก็เออไม่มีอะไรตนก็ไม่ไปโกรธใครหรอกใจมันดีอยู่หัวหนะ้ายิงโย่ใจมันดีแต่เวลาที่ไม่มีเหตุร้ายมากระทบเมื่อมีเวลามีเหตุร้ายมากระทบเข้านั่นแหละมันจะลุกฮือก็เลยกิเลส ที่เป็นเชื้อสายอย่างความโกโรธอยู่ภายในใจนั่ น, นเพราะว่ากิเลสนี้ไม่ใช่มันกําเริบอยู่ตลอดเวลามันจะกําเริบขึ้นต่อเมื่อมีเหตุภายนอกสมทบเข้ามานั่นมันยังค่อยลุกขึ้นเหมือนอย่างไฟหมกเท่าอยู่นี่มันก็ไม่มีฤทธิเดชอะไรได้ไฟหมกเท่าอยู่มันไม่มีขวัญก็ไม่มีต่อเมื่อได มีใครเอาญ้าแห้งไปโยนเข้าไว้มันได้เชื้อแล้วมันก็เกิดเป็นขวัญขึ้นทีแรกนักเข้าก็เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาลุกโชนช่วงขึ้นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกับไฟหมกเท่าอยู่นั่นเองอ่าไฟหมกเท่ามันมันยังไม่มีเชื้อเพิ่มเติมอีกอัน กิเลสอันมันหมักรองอยู่ในใจคนเราก็เช่นนั้นแหละเมื่อมันยังไม่มีเหตุภายนอกมากระทบมันก็นอนนิ่งไปก่อนเหมือนกับไม่มีกิเลสเนี่ยแตนพอมีเหตุภายนอกกระทบเข้ามามันก็ถึงค่อยลุกเฮือขึ้นดังนั้นอนะ่ะทุกคนนะให้พึ่งพากานตื่นตัวความเป็นผู้ตื่นตัวรู้ตัวฝึกขาดให้ รู้ตัวเสมอเึื่อขัดวินิจัยตัวเองเสมอไปอันนี้เราเรียกว่าเป็นอุบายกำจัดความหลงออกไปจา ก, ก จ, จิตใจนี่มันก็ร้วนแต่การกระทำทั้งนั้นเลยให้สังเกตดูสิไม่ทำทางกายก็ทำอุบายแอบคายภายใน จ, ใจิตใจเออเป็นอย่างนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ทำทางกาย เช่นอย่างทำบุญให้ทานหมนีมันก็ต้องขวนขวายทำการทำงานทำนาทำสวนทำการค้าขายได้เงินได้ทองเข้ า, ข, าของมาแล้วกว็ถึงแบ่งกินบ้างแบ่งให้ทานบ้างได้ไปถ้าไม่ทำการทำงานไม่ได้วัตถุดังกล่าวมานั้นก็จะอะไรมาให้ทานเนี่ยนั่นแหละบางการทำทานแบบนี้น่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 เขามากระทบกระทั่งเราแล้วก็จึงค่อยนึกถึงอภัยทานไม่ทันเวลานั่นนะความโกรธมันเกิดขึ้นก่อนเราต้องเจริญไปแต่เวลาจิตใจเป็นปกติยังไม่มีเหตุอะไรมากระทบนี่พิจารณาไปเจริญไปว่าการที่เราต้องให้อภัยแก่ผู้ผิดนี่มีเหตุผลอย่างไรอ่ะนี่วินิจฉัยดูเหตุผลไม่ยากลําบากอะไรอ่ะ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 มันจะเป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งความโกรธนี่มันเกี่ยวแก่การกระทำแลละนี่ก็ดีน ะ, ะการกำจัดความโกรธออกจากจิตใจนี่ถ้าเราเราไม่กระทำในใจอย่างว่านี่ความโกรธมันก็ไม่เบาวางออกไปจากจิตใจได้เลยก็มมีแต่มันจะพอกคูนให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆให้พึ่งพากันคิดดูให้ดี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 ผู้นั้นก็เลยไม่ค่อยมีความผิดพลาดในชีวิตการกระทำการงานต่างๆทางโลกและทางธรรมก็ไม่ค่อยผิดพลาดเลยเรือว่าไม่ไม่ค่อยตกไปในทางชั่วไม่ค่อยตกไปในทางบาปอากุศลคนที่มีสติสัมปชัญญะร ะ, ะรลึกถึงทางผิดทางถูกได้อยู่เป็นอย่างนั้น การที่เราจะระลึกได้ก็เพราะว่ามันวิจารณดูเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษพวกนี้นะบ่อยๆ อ, ยอเราน้อมเอามาวิจารจนเกิดความรู้ความเข้าใจภายในใจนั้นแจ่มแจ้งขึ้นมาเลยเมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็เก็บเอาความรู้เหล่านี้ไว้ในใจฮะนะพอให้เข้าใจมันก็รวบรวมเมาไว้สะสมเอาไว้ความรู้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 ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนะ่คนเรามันถึงได้ประมาทอยู่บ่อยๆเผลอตัวแล้วก็ประมาทแล้ววับนี้นะตนทำผิดพูดผิดอยู่ไม่รู้ตัวอะไรแม้คนอื่นจะตักเตือนนี่ไม่เอาไม่ยอมเอาตามแถมมันยังไปกโกรธคนที่เขาตักเตือนตนนั้นอีกซ้บปานนั้นแหละคนเราเนะี่ยเมื่อมันหลงมันเมามาแล้วมัน มันไม่รู้ว่าทางผิดแ่งชีวิตก็ไม่รู้เลยและยังยึดถือเอาความชั่วนั้นไว้อย่างเหนียวแน่นใครจะตักเตือนก็ไม่ยอมฟังอันนี้แหละเพราะฉะนั้นขอยพากันพิจารณาใครควรดูให้ดีเท่าที่แนะนำมานี่เรียกว่าแนะนำในเพื่อให้ตื่นตัวกันทำตัวให้เป็นม้าอาชาในา